รักเธอก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่ารักเธอว่าจะไหมว่าจะไหมต้องรักเธอยังไม่พร้อมจะทาใจรู้ดีว่าจะมีคนอื่นอีกมากมายทำหมฉันทำหมฉันต้องเสียใจ ยาไปร้องไปถ้าไม่ฉันถ้าไม่ฉันได้รับบายสิ่งที่เธอถ้าไม่ฉันต้องเสียใจแต่ว่าใจก็ยอมรับว่าเธอไม่เคยมีไม่เคยมีรักใครใคร ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ตรงนั้นอยากไปเพื่อให้ฉันได้ลืมคิดถึงเธอแม้ว่าตอนนี้มันเหนื่อยใจ เธอฉันอยากไปอยากไปอยู่ตรงนั้นอยากไปเพื่อให้ฉัน